บุคคลเอื้ออารีสังคมสามัคคีทุกคนได้ทุกคนดีมีสุขด้วยกันและทั่วกันเรื่องของพระนั้นนอกจากเน้นเรื่องการแบ่งปันลาบแล้วในหลักใหญ่กว้างออกไปก็เน้นเรื่องความสามัคคีถือเรื่องสามัคคีนี้สำคัญมากตรงข้ามกับสังฆเภทคือการทำให้สงแตกกัน ซึ่งถือเป็นอนันตริยกรรมอันจัดเป็นบาปหนักที่สุดเพราะท่านถือความสามัคคีของหมู่ชนเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งถึงแม้ในสังคมข้าระหัดพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเน้นให้เห็นความสำคัญของการทำชุมชนและสังคมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงมีเอกภาพด้วยหลักสังควะวัตถุสีน่นี้ดังที่ว่าในบรรดาพระสาวก ฝ, ฝ่ายข้ารหั ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตาทัตคะก็มีสองท่านที่เป็นคล้ายอ克拉สาวกแต่ไม่เรียกว่าอ克拉สาวกเรียกได้ว่าเป็นอครอุบาสกคือเป็นอุบาสกเยี่ยมยอดคู่กันได้แก่จิตตาเขหาบดีผู้เป็นเลิศทางธรรมกัถึกและอีกท่านหนึ่งคือหัตกาลวลเป็นการเรียกรวมคําให้สะดวกลิ้นไทยที่จริงคือ อัตกะอาลาวะกะอัตกะลาวกนี้เป็นเอตทัทาคะในทางรวมใจหมู่ชนหมายความว่าเก่งในการสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมด้วยหลักสังคหาวัตุสีคือเป็นผู้ที่สามารถใช้สังคหาวัตุสีประการทำให้หมู่ชนของท่านอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีแน่นแฟนมั่นคง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นตราชูของอุบาสกบริษัท ต, ตราชูของอุบาสิกาบริษัทหรืออัคระอุบาสิกาก็มีคู่หนึ่งเหมือนกันได้แก่กุชุตราซึ่งเป็นเอตัทักคะทางพระหูสูตรและนันทมารดาซึ่งเก่งทางฌานที่นำเรื่องนี้มาเน้นไว้ก็เพราะว่า ดูเหมือนชาวพุทธไทยเรานี้จะมองพุทธศาสนาในเชิงที่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปเสียทั้งหมดไม่ได้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนที่ถือเรื่องโซนรวมเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมเป็นสำคัญเพียงใดจะต้องเข้าใจดุลยาภาพในเรื่องนี้กันไว้ให้มากสักหน่อยพูดผ่า น, านว่าในมูสงท่านเน้นความสามาัคคีและในสังคมขรคหัดท่านเน้นสังฆหวัตถุ ก็มีจุดรวมที่สามคัคคีเหมือนกันแต่ของพระพูดเป็นกลางๆแค่นำมาทำได้ส่วนของชาวบ้านต้องโยงไปรูปธรรมให้ถึงวัตถุด้วยเรื่องหมู่ชนชุมชนสังคมนี้พระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญมากอย่านึกอยู่แค่เรื่องเฉพาะตัวที่ว่าเฉพาะตัวก็หมายความว่า มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นชีวิตของเราจะพัฒนาได้ก็ต้องเป็นไปโดยกระบวนการภายในตามธรรมชาติของมันแม้แต่ทางร่างกายกินอาหารเข้าไปแล้วต้องย่อยสลายดูดซึมแผ่ไปใครอื่นก็ช่วยย่อยให้ไม่ได้ไว่ายน้ําไม่เป็นคนอื่นตะโกนบอกให้ก็ไว่ายไม่ได้เทวดาก็บรรดาลไม่ไหว ใจมีทุกข์คนอื่นรักเราแค่ไหนก็เอาสุขใส่ให้ไม่ได้เราไม่เข้าใจเขาจะเอาปัญญายัดใส่ให้ก็ไม่ได้เราคูณเลขไม่เป็นเพื่อนจะคิดคูณในหัวเขาส่งมาใส่สมองเราก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างที่ว่านั้นจึงว่าต้องพึ่งตนเอง ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาให้เกิดให้มีให้ทำได้ด้วยตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังให้คนอื่นมีใจหวังดีมานำมาหนุนมากระตุ้นมาเล้ามาสื่อเรียกว่ามาช่วยกันอย่างเต็มที่โดวยวิธีเอาปัจจัยภายนอกมาหนุนนาทาการท่านผู้ฉลาดและมีใจปรารถนาดีก็คิดวิธีเอากระบวนการทางสังคมของมนุษย์ มาเชื่อมต่อกับกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติพอกระบวนเหตุปัจจัยในตัวเราเริ่มดาเนินไปก็สมใจปรารถนาที่ว่าคนอื่นช่วยเราได้ไหมก็ช่วยได้ช่วยได้เป็นปัจจัยภายนอกเริ่มตั้งแต่มีใจเมตตาปรารถนาดีมีความรักมีความหวังดีแล้วมาทำหน้าที่ของปัจจัยภายนอกนั้น ดังเช่นจะให้เรามีปัญญาก็มาเป็นครูสอนให้แต่ถ้าเราไม่เรียนถึงครูจะมาสอนก็รู้ไม่ได้ครูเอาปัญญามายัดใส่สมองให้เราได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้เราก็ต้องเอาปัจจัยภายในของเรามาต่อพอเรารู้จักฟังตั้งใจฟังรู้จักพิจารณามีโยนิโสมนสิกาแล้ว สิ่งที่สะดับมาเป็นข้อมูลเรียกว่าสุตตะก็เกิดเป็นปัญญาของเราขึ้นมาไม่ใช่ว่าครูอาจารย์เอาปัญญามัญญะใส่ให้เคยย้ำบ่อยๆว่าโยมขอศีลพระพระบอกว่าฉันให้ไม่ได้หอกศีลโยมต้องปฏิบัติเองเอา้าวแล้วจะทำอย่างไรโยมมาขอศีล มาอย่างพันเตติสรเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะท่านคะท่านขอรับพวกเราขอศีลห้าพระพูดในใจบอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกโยมศีลนนะ่ะไรจะไปให้กันได้ละ่ะศีล น, นั้นให้กันไม่ได้หรอกศีลเกิดในตัวเองจากการปฏิบัติและจะให้อย่างไรได้โยมอยากได้ศีลใช่ไหมโยมเอาอันนี้ไปรักษาไปปฏิบัติ และโยมจะมีศีลเองก็บอกสิกขาบทไปโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไม่ใช่ให้แค่บอกให้คือบอกให้ไปปฏิบัติโยมก็บอกว่าอา้าวตกลงปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิขพเจ้าสมาทานรับเอาข้อปฏิบัติที่จะงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกลง นี่เรียกว่าสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาโยมขอศีลแล้วพระบอกข้อฝึกให้และโยมไปฝึกปฏิบัติตามนั้นโยมก็มีศีลเองโยมขอสมาธิพระบอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกสมาธิให้ได้อย่างไรโยมต้องปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวของโยมเองพระให้สมาธิไม่ได้ เอาฉันบอกกรรมฐานให้คือบอกสิ่งที่จะไปใช้ปฏิบัติพอโยมรับกรรมฐานไปแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติฝึกตนเองเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นโยมขอปัญญาพระก็เหมือนกันอีกบอกว่าปัญญานั้นฉันให้ไม่ได้หรอกแต่ฉันจะบอกสุตตะให้คือบอกข้อมูลบอกคำสอน แล้วคุณก็ไปพินิจพิจารณาวิจัยไตรตรองเอาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไปรักษาโยมขอสมาธิพระบอกกรรมฐานให้ไปปฏิบัติโยมขอปัญญาพระบอกสุตตะให้ไปวิจัย เป็นัันว่าการที่เราปฏิบัติธรรมในเชิงสังคมนั้นการทำให้แก่สังคมมีผลใหญ่แก่ตนเองสองประการ 1. ขนขณะที่เราปฏิบัติธรรมทางสังคมเช่นไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็คือตัวเราเองกำลังปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการฝึกตนอย่างดีมาก 2. เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ ซึ่งกลับมนุนให้เราเองปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตได้สะดวกขึ้นแง่ที่สองก็สำคัญมากถ้าสังคมมีแต่ความวุ่นวายเบียดเบียนกันเราจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจะศึกษาเล่าเรียนคนหนังสือฝึกสมาธิก็ติดขัดไปหมดโดยเฉพาะในหมู่สงฆ์พระที่อยู่ร่วมกันก็ต้องทำสังฆะให้สงบเรียบร้อยมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันดีให้เป็นบรรยากาศที่เอื้อเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนแล้วแต่ละคนจะปฏิบัติธรรมจะทำงานทำการอะไรในชีวิตประจำวันก็ทำง่ายทำได้สะดวกและปลอดโปร่งสบายใจแถมยังมาให้แรงช่วยกันอีกด้วยผลมาสองทางทั้งตัวเองก็ได้โดยตรงทั้งสภาพเอื้อก็ส่งผลย้อนกลับมนุนด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องด้านสังคมนี้พุทธศาสนาจึงเน้นมากเวลามองพุทธศาสนาจะมองเฉพาะธรรมะไม่ได้ต้องมองทางวินัยด้วยแล้วก็มีธรรมะประเภทหนึ่งที่โยงระหว่างธรรมะกับวินยัยซึ่งเน้นมากในเชิงวัตถุกับสังคมยังน้อยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมทางสังคมด้วยเมตตากรุณา เราเกิดปีติปราโมทปราบลื่มเอิบอิ่มใจราเริงเบิกบานผ่องใสเราก็ได้คุณธรรมสำคัญประจำใจในการพัฒนาชีวิตเมื่อเราเห็นคนหายทุกมีความสุขเราก็สุขยิ่งขึ้นไปได้ทั้งสุขทางสังคมและสุขข้างในที่ช่วยให้ตัวเราเองยิ่งพัฒนาจึงขอให้จำไว้ขอให้ได้สองชุดนี้มาคู่กัน คือในทางสังคมเราออกสู่การปฏิบัติด้วยสังหาวัตถุสี่โดยมีโรมิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในใจซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุขร่วมกันและพร้อมกันนั้นในใจของเราเองก็มีชุดธรรมสมาธิหคือปราโมทปิติปัสสธิสุขสมาธิที่จะพัฒนาชีวิตของตนพร้อมอยู่ด้วย โดยมีความสุขเป็นทุนประจำอยู่ข้างในอย่างน้อยข้อที่หนึ่งคือปราโมทขอให้มีประจำใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นไว้อริยชนอย่างพระโสดาบันนับว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นจิตใจที่มีธรรมและมีความสุขสองด้านคู่กันไปพระองค์ทรงอุปมาว่า พระโสดาบันปฏิบัติธรรมนั้นทั้งตั้งใจเอาจริงเอาจังในการศึกษาและใส่ใจกิจส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นมีใจเอาแต่ตัวเหมือนอย่างแม่โคขณะที่แหลมหญ้าก็เหลียวหน้าแล้วดูลูกน้อยไปด้วยคำนึงว่าเขาได้กินไหมเขาอิ่มไหมดูเข้าไปให้สุขสบายด้วยกันพึงดูพุทธพจน์ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนย่อมเล่มหญากินด้วยจำเลีงแลาดูลูกน้อยไปด้วยชั้นใดข้อนี้ก็เป็นธรรมดาของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิคือหมายถึงพระโสดาบันคือจริงแท้อยู่ว่าอริยาสาวกย่อมถึงความโขนขวายในกิจธุระใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรอย่างไรของเพื่อนสัพโรมาจารีทั้งหลาย แต่กระนั้นอริยาสาวกนั้นก็มีความใส่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาพร้อมไปด้วยฉันนั้นท่านมุ่งหวังให้คนทั้งหลายประพฤติตนดังเช่นบุคคลโซดาบันอย่างนี้